บทที่ห้าสิบห้าแม้จะทรงพระนามว่าอาโศกก็ต้องถึงแล้วซึ่งความโศกเวลาใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเวลาย่งการสูญเสียและพลัดพรากตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลย่อมจะละสิ่งทั้งปวงไปเพราะความตายมาถึงเข้ามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่เคยยินยอมคำผัดเพี้ยนของใครเลยเป็นเวลาหกสิบปีเศษที่จอมจกักรพรรดิผู้ทรงใช้ตราธรรมจักเป็นตราแผ่นดินได้ลืมพระเนตรขึ้นดูโลกโลกอันวุ่นวายสับสนด้วยนาน า, นายตนะทั้งสิ่งเ ย, ย้ายวนและสิ่งชวนเศร้า ทั้งสิ่งอันทำให้เมาและสิ่งทำลายความเมาบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะหลับพระเนธปิดฉากแห่งชีวิตไปตอนหนึ่งท่ามกลางความเศร้าเสียดายแห่งปิยชนคือพระมเหสีและพระโอรสทิดาท่ามกลางบริวารชนมีอำมาตย์เสนาบดีและรัชมนตรีท่ามกลางความวิปรโยคแห่งทวยนาค ผู้เคารพรักพระองค์ยิ่งปิตุเรศพระราชามีพระอสุชนไหลาอาพระพักเมื่อเห็นพระอาการดังนี้รัตคุปอะครมหาเสนาบดีจึงกราบทูลว่าขอเดชะเหตุชะไหนพระอสุชนจึงไหลาอาพระพักซึ่งลาวราชปัจจามิตรมิอาจจะดูพระพักซึ่งสตรีผู้มีเนตรเพียงดังดอกอุบล นับจํานวนร้อยไม่อาจหันหนีได้ในชีวิตที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้าได้เคยเห็นน้ําพระอสุชนแห่งพระองค์เพียงสองครั้งเท่านั้นครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ประหาร น, นางละครณดินแดนเวสาลีและอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้เหตุแห่งการหลังพระอสุชนในปุเรกานข้าพระพุทธเจ้าทราบแล้ว แต่ครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเลยพระราชาตรัสว่าเสนาบดีข้าพเจ้าร้องไห้ครั้งนี้มีใช่เพราะคำหนึ่งถึงความพลัดพรากจากลูกเมียหรือทรัพย์สมบัติใดๆแต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะคำหนึ่งว่าจะไม่ได้เห็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐผู้อันเทภ พ, พยดาและมนุษย์ทั้งหลาย นอบน้อมแล้วขพเจ้าไม่ได้ถวายขาทนียโพชนียหารและน้ำปานะอีกต่อไปเหตุนี้แหละบรรดาลเหตตาของขพเจ้าหลังไหลสุดกลัน่นอันหนึ่งเล่ารัฐคุปขพเจ้าปรารถนาจะบริจาคทรัพย์ร้อยโกศเพื่อบำรุงพระธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความปรารถนานั้นยังไม่บริบูรณ์เราจะพยายามรวบรวมทรัพย์อีกสี่โกฎเพื่อบำเพ็ญทานให้ไพ่โบณแต่ความปรารถนาของพระองค์ก็ไม่ได้อาจบรรลุผลสำเร็จได้เพราะเจ้าชายสัมปฏิรชาชทาญาตพระโอรสเจ้าชายกุณาละทรงเกรงว่าหากปล่อยให้สมเด็จพระอัยกาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรัพสมบัติในพะระกลังหลวงก็จะหมดสิ้นเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชจะไม่มีอะไรเหลือดังนั้นพระยุพ ร, ราชจึงทรงห้ามขุนคลงังมิให้จ่ายพระราชทรัพย์ใดๆแก่พระราชาเป็นราชประเพณีในครั้งนั้นว่าภาชนะที่ใส่เครื่องเสวยของพระราชานั้นจะต้องเป็นภาชนะทองคําเมื่อราชบุรุษนําภาชนะเครื่องเสวยเข้าถวาย เสวยเสร็จแล้วก็รับสั่งให้นำภาชนะนั้นไปถวายสง์ณกุกุตารามต่อมาเขาจัดพระกยาหารถวายพระด้วยภาชนะเงินพระองค์รับสั่งให้นำไปถวายสงเสียอีกเขาจัดถวายด้วยภาชนะเหล็กพระองค์ก็รับสั่งให้นำไปถวายสง์ในที่สุดเขาจัดถวายด้วยภาชนะดินหมดสิ้นแล้วในพระราชะอานาจ จอมจกักรพรรดิผู้มีดินแดนและสมบัติมหาศาลไม่มีอะไรเหลือเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แม้ภาชนะสวยก็ทรงใช้ภาชนะดินขณะนั้นทรงมีมักขามป้อมเครึ่งผลในพระหัตทรับสั่งให้เสนาบดีและอำมาตยมนตรีทั้งหลายเข้าเฝ้ารับสั่งถามว่าเวลานี้ใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแคว้นมคตนี้ ขอเดชะพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าค่านิ่งอยุ่ครู่หนึ่งขณะที่พระอสุชนคลอพระเนตรนั่นเองตรัสว่าท่านทั้งหลายประสงค์จะเอาใจข้าพเจ้าจึงกล่าวคาหาความจริงไม่ได้ข้าพเจ้าข่าจากความเป็นราชาที่ปดีเสแล้วไม่มีสิ่งไรเลยที่ข้าพเจ้าจะทำได้ตามความพอใจนอกจากมาขามป้อมครึ่งผลนี้ พระราชารับสั่งให้พระราชบุรุษคนหนึ่งเข้ามาใกล้ที่ประทับแล้วตรัสว่า <_ d ata> เจ้าเอ๋ยแม้เราจะสิ้นวาสนาลงแล้วแต่ความดีที่มีต่อกันในการก่อนคงพอมีอยู่ขอเจ้าจงทําตามคําสั่งครั้งสุดท้ายของเราให้เสร็จด้วยเถอจงรับเอามาข้ามป้อมครึ่งผลนี้ไปถวายสง ที่กุบกุตารามและจงมอบลงแทบเท้าของท่านในนามของเราว่าขอสงจงดูความพิบัติแห่งราชทรั์ของพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งชมพูทวีปเถิดสิ่งนี้เป็นปัดชิมทานของพระองค์ขอได้โปรดเฉลี่ยให้ทั่วสงฆ์ในอารามด้วยเถิดนี่เป็นความประสงค์ของผู้บริจาค ราชบุรุษรับสนองพระบรมราชาองค์การเหนือกล้าวแล้วนำมะขามป้อมครึ่งผลไปสู่กุกกุตตารามกลาบเปลี่ยนพระสงฆ์ตามนั้นแล้วเสริมว่าข้าแต่พระสงฆ์มะขามป้อมครึ่งผลนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพระราชาผู้ซึ่งครั้งหนึ่ง ได้บัญชาโลกให้รวมกันอยู่ภายใต้เดชานุภาพแห่งพระองค์มีอำนาจเกลียงไกลประหนึ่งอาทิตย์อุทัยสองโลกให้สว่างบัดนี้พระองค์ได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงแห่งสิ่งนั้นแล้วประธานสงแห่งกุกกุตตารามได้ประกาศแก่ภิกษุเพื่อนพระมจันทร์ให้เกิดสังเวชสลดใจว่าผู้มีอายุทั้งหลาย วันนี้เป็นวันควรที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตเพราะเหตุไรเล่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสเตือนเสมอว่าบุคคลควรสลดใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับทุกข์และวิบัติก็ในเหตุการณ์อันเกิดแก่พระราชาธิปดีอโศกจะมิให้เป็นเหตุแห่งความสังเวชสลดจิตอย่างยิ่งดอกหรือเหตุการณ์นี้เป็นการเผยสัจธรรมให้ปรากฏ แกสามัญชนทั่วไปผู้กำเริบด้วยความทนงในชีวิตและความสุขสำราญและแล้วประธานสงก็ปอกมาขามป้อมแล้วให้ตำให้ละเอียดละลายน้ำบริสุทธิ์แจกสงทั้งหมดซึ่งประชุมอยู่ณที่นั้นเมื่อดื่มแล้วภิกษุทั้งหมดสำรวมจิตถวายอนุโมทนาแต่ทำไมิการาช แผ่เมตตาให้ดวงพระวิญญาณอันประเสริฐของพระองค์ไปสู่สุขติควรแก่กุศลกรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาฝ่ายพระราชาอโศกตรัสถามอัครมหาเสนาบดีอีกครั้งหนึ่งว่าสหายจงบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าบัดนี้ใครเป็นพระราชาแห่งประเทศนี้อัครมหาเสนาบดีทูลว่าขอเดชะ ใต้ฝ่าระอองทุลีพระบาทเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าข้าเมื่อทรงสดับดังนี้พระเจ้าอาโศกจึงทรงลุกขึ้นเล็กน้อยเหยียดพระหัตถ์นมัสการไปทางชุมนุมสงแล้วให้อลักษ์บันทึกความดังนี้ประเทศนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตเหมือนอยู่ในผ้าสบายสีเขียวมรกต ประเทศนี้อุดมด้วยบ่อพรอยเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอถวายพื้นธรณีอันกว้างใหญ่ไพศาลลงไปจรดฝั่งสมุทรแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งสมบัติอันยังไม่ได้ถวายจากกุศ ล, ลกรรมนี้ข้าพเจ้ามิได้ประสงค์ทิพยสมบัติหรือความเป็นใหญ่ในโลกแต่ประการใด ข้าพเจ้ามีความปรารถนารัชสมบัติน้อยนักเพราะประจักษ์ว่ามันผ่านไปรวดเร็วเหมือนกระแจ ส, สินจากกุศลกรรมนี้ข้าพเจ้าปรารถนารางวัลอันประเสริฐคือการปกครองตนเองได้รางวัล น, นี้พระอริยเจ้าสรรเสริญกันนักสมบัตินี้เมื่อได้แล้วไม่กลับกลายเป็นอื่นและแล้วพระราชทานแก่เสนาบดีทั้งหลาย ให้ประทับพระรัชจักรบัดนี้วาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของจอมจักรพรรดิได้มาถึงแล้วพระองค์ผู้ชนศึกมาในเบื้องต้นแล้วหันพระไทยมาไฝ่ธรรมท่ามกลางและที่สุดจอมคนแห่งมคตทารัตประนมพระหัตไว้เหนือพระอุระหลับพระเนตรลง สีพระพักค่อยๆแจ่มใสขึ้นทีละน้อยลมอสซาสะปัสสาสะผ่อนเบาลงตามลำดับสายใยแห่งกายเนื้อและกายทิพย์อันเนื่องกันมาเป็นเวลาหกสิบปีเศษได้ขาดสะบัน้นทิ้งกะเลวระไว้เป็นเทวทูตเตือนคนทั้งหลายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา เมื่อทราบแน่ว่าพระราชาผู้เป็นที่รักสิ้นพระชนแล้วพระมเหสีพระโอรสธิดาและเหล่าเสนาบดีอมาตต์ราชบริพารทั้งหลายต่างแสดงอาการโศกาดูนปริเวธนาดวงหน้าทุกดวงชุ่มโชกด้วยอสุชนบางคนมิอาจทนได้ก็ล้มกลิ้งลงเสมือนคนเท้าขาดทั้งสองข้าง เพราะลูกสอนคือความโศกสลดพึงเสียบหยัตัยข่าวนี้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วออกจากราชสำนักสู่อาณาจักรมคตทั่วทุกคามนิคมประชาชนของพระราชาผู้ทรงได้ตราธรรมจักเป็นตราแผ่นดินได้ทราบแล้วกอดแขนทั้งสองข้าวกับอกร่ำไห้ ทั่วอาณาจักรมคตระงมได้เสียงคร่ำครวญฝ่ายพระภิกษุสมมเนรทั่วอารามได้สวดพุทธพจน์อันหนักไปนในทางตรายรักและความเกิดแก่เจ็บตายเช่นธรรมนิยามสูตรอนัตตลักณะสูตรอธิตยปริยายสูตรชาราสูตรและปัปเพโตปะมกคถาเป็นต้น แล้วน้อมจิตแผ่เมตตาถวายพระราชกุศลภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็อดสั่นสะเทือนใจมิได้ส่วนที่เป็นพระอรหันต์ก็ปรงธรรมสังเวชพระราชาผู้ประดิษฐานธงธรรมจักรได้บกสะบัดพริ้วทั่วชมพูทวีปและอาณาจักรใกล้เคียงได้เสด็จไปแล้วแต่พระเกียรติคุณของพระองค์คงดำรงอยู่ อยู่ในห่วงหัดไทยของปวงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกตราบเท่าทุกวันนี้อานิจจาอำนาจและชีวิตเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนมีอันเปรียบด้วยอุทกทาราอันไหลบ่าในลำน้ำไม่ช้าก็ต้องลดลงใครเล่าจะคัดค้านพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าความสุขอันเป็นโลกิยะทั้งมวลมีที่สุดเป็นทุกข์ แม้พระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าอาโซก็ต้องถึงแล้วซึ่งความโศกพระเกียรติคุณของจอมจั ก, กรพรรดิอาโซกตามทัศนะของชาวตะวันตกที่เดบริริสเดวิดตามหลักฐานในศิลาจารึกแล้ว ทุกอย่างเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตัดสินพระทัยโดยพระองค์เองทั้งสิน้นพระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนพระทัยมาเป็นพระราชาผู้ประกาศธรรมการที่พระองค์ทรงเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นมิใช่อาศัยคำแนะนำหรือการชักจูงจากขฤือหัดหรือบรรพชิตใดๆมาก่อนเลย ทรงตัดสินพระไทยกระทําไปลำพังพระองค์เองโดยตลอดผู้แต่งนิยายโบราณเช่นผู้แต่งมหาวงกล่าวว่าเขารู้จักชื่อพระภิกษุผู้เทศนาชักจูงให้พระเจ้าอโศกับพระไทยหมายถึงพระสมุทรนในปรกรณ์ฝ่ายสันสกฤตและนิโครธสามนเณรในปรกรณ์ฝ่ายบาลีถึงแม้หลักฐานอันนี้ คือคำพีมหาวงจะเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นใหม่มากก็ตามขาพเจ้าหมายถึงทีดับริลลิสเดวิดผู้เขียนเองก็ยังไม่เชื่อว่าทัศนะดังกล่าวเป็นความจริงมีข้อเ ท, ท็จจริงที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราแต่ละคนนี้จะต้องมีตนเป็นประทีปสองทางชีวิตของตนมีตนเป็นที่พึ่ง ยึดมั่นอยู่ในหลักแห่งความจริงคนไม่ควรแสวงหาที่พึ่งอื่นนอกจากตนเองคำนี้เป็นหลักคำสอนทางาศาสนาอย่างแท้จริงแต่มันน่าจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าการที่พระเจ้าอาโศกทรงเปลี่ยนพระทัยมานับถือธรรมเป็นธงในการดำรงชีวิตนั้นน่าจะเนื่องมาจากการเทศนาชักชวนของพระอาหารหันต์รูปใดรูปหนึ่งดังนั้น เมื่อจะกล่าวโดยสรุปคำพูดหรือข้อยืนยันทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายศิลาจารึกและฝ่ายหลักฐานจากปรกรณ์รุ่นหลังคำภีมหาวงจึงถือว่าถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งแปลกประหาดและหายากอย่างยิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินในอินเดียหรือในยุโรปจะอุทิศพระองค์เองให้แก่การดาเนินชีวิต ตามหลักธรรมอันสูงส่งชนิดมอบกายถวายชีวิตทุกอย่างยิ่งพระองค์ได้เลือกเอาระบบความเชื่อถือที่มีหลักคำสอนไว้ว่าความหลุดพ้นนั้นต้องอาศัยการเอาชนะตนเองมิใช่เพราะความเชื่อถือในเรื่องวิญญาณใดๆแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคนธรรมดาสามัญย่อมปฏิบัติเช่นนั้นไม่ได้ การที่พระเจ้าอาโศกปฏิบัติได้นั้นจะต้องเนื่องมาจากอุปนิสัยตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวและเอกัตภาพอันเข้มแข็งของพระองค์เป็นหลักแต่พระองค์ก็ไม่สามารถคิดประดิษฐ์หลักธรรมขึ้นมาเองเรารู้กันแล้วว่าหลักธรรมนั้นมีมานมนานจึงน่าจะมีพระอาหารหันต์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ได้ฝึกตนดีแล้ว ได้เป็นผู้ชักจูงพระเจ้าอาโศกเข้าสู่ทางธรรมนั้นนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงอุทิศพลังงานอันยิ่งใหญ่และขุมพลังอันทรงอำนาจของจักรวัตอันกว้างใหญ่ของพระองค์ให้แก่การรู้แจ้งในแนวคิดใหม่นี้หลักศิลาจารึกทั้งหมดที่รับสั่งให้สลักขึ้นก็เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธรรม ทรงบัญญัติให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั่วพระราชอาณาจักรทรงทุ่มเทเงินมากมายใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารราคาแพงเพื่ออุปถรัรมศาสนาใหม่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงเรื่องการทุ่มเทเงินทองสร้างวัดวาอารามเลยน้ำพระทัยของพระองค์ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งมีความสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดหนังสือที่เขียนขึ้นมาในสมัยใหม่มหาวงทีปวงยืนยันความจริงข้อนี้ตรงกันซากศพโบราณที่ยังเหลืออยู่ซึ่งถูกขุดพบแล้วสนับสนุนความสำเร็จจริงเรื่องนี้ต้องเป็นความจริงที่ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยแต่ประการใดเป็นความจริง ไม่มีอาคารสถานใดที่พระเจ้าอโศกสร้างไว้แล้วยังเหลือติดอยู่บนผืนแผ่นดินเลยในขณะนี้แต่ศิลาจารึกที่ถูกค้นพบที่สายจินั้นนักปราทั้งหลายมีมติตรงกันว่าพระองค์ทรงสร้างวัดแห่งหนึ่งขึ้นที่พุทธคยาสายจินั้นเดิมชื่อเรียกว่าเจติยคิรีคือภูเขาที่มีเจดีอยู่บนยอดเขา จะต้องเป็นสถานที่สำคัญมีชื่อเสียงที่สุดก่อนที่พระเจ้าอาโศกเสด็จไปถึงกรุงอุเชตนีเพื่อเป็นมหาอุปราชแห่งนคร น, นั้นบนยอดภูเขาลูกนั้นมีสถูปอยู่ไม่น้อยกว่า11องค์สถูปบางองค์ถูกปิดประตูในที่ ปีพุทธศักราช2365ที่เหลือถูกเปิดดูในปีพุทธศักราช2394ในการขุดจากโบราณสถานที่ทั้งสองได้พบสถูปที่เล็กลงไปสู่อันหนึ่งปรากฏว่าภายในบรรจุพระสารีริกธาตุของพระอัครส า, าวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะหมบานเวทิส อันเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอาโศกทรงรู้จักและผูกรักกับพระมเหสีองค์แรกนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆนี้นอกจากนี้ยังมีภูเขาอื่นๆอีกหลายลูกอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ซึ่งบนภูเขาเหล่านั้นมีพระสถูปเต็มไปหมดในบรรดาสถูปเหล่านั้นสถูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดยังไม่พบพระปรมสารีริกาธาตุอยู่ภายใน ยังไม่พบโกรธที่บรรจุพบแต่อักษรจารึกมากมายเป็นอักษรจารึกสมัยพระเจ้าอาโศกเขียนไว้ที่เสาและรั้วรอบพระสถูปนั้นจำนวนศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกที่ค้นพบแล้วจนกระทั่งบัดนี้จำนวน34หลักเรารู้หลักศิลาจารึกอื่นๆที่พบในสตวรรษที่เจ็และโดยการอนุมาน เราก็สามารถรู้จักสถานที่ที่ศิลาจารึกถูกค้นพบว่าเป็นที่ไหนตัวอย่างเช่นศิลาจารึกที่ค้นพบที่เมืองสาวัตถีและรํมคงคานอกจากนั้นก็ต้องมีที่อื่นอีกเพราะฉะนั้นการค้นพบต่อไปก็อาจจะคาดได้อย่างถูกต้องว่าสถานที่พบนั้นเป็นที่ไหนในครั้งพุทธกาล ในบรรดาศิลาจารึกที่เรารู้จักกันแล้วในปัจจุบันศิลาจารึกสองหลักเป็นเพียงพระราชองค์การของพระเจ้าอาโศกทรงประกาศการนมัสการปูชนียสถานของพระองค์อีกหลักหนึ่งอยู่ที่สถานประสู寿ของพระโคดมพุทธเจ้าอีกสามหลักเป็นพระราชองค์การอุทิศถ้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกอาชีวกซึ่งเป็นนักบวชพวกหนึ่ง มีชื่อกล่าวในคำพีพระพุทธศาสนาเสมอมาที่เหลือนอกนั้นเป็นสิลาจารึกที่แตกต่างกันหลายอย่างเช่นเป็นพระราชะองค์การสั้นๆ ส, สลักไว้บนเสาสิลาโดยมุ่งประกาศพระธรรมหรือไม่ก็เป็นการอธิบายถึงวิธีการที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงนำมาใช้เพื่อประกาศเทิดทูลพระธรรมนั้น พวกพราหมณ์ในครั้งนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือธรรมแต่ธรรมเป็นเครื่องสำคัญในหลักความคิดและเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างนักบวชพวกสัญจรจาริกทั้งหลายและประชาชนก็พากันนับถือพวกนักบวชสัญจรเหล่านั้นว่าเป็นครูผู้สอนธรรมและยังถืออีกว่าธรรมเป็นสมบัติรวมของคนทุกคนเป็นของชาติอินเดียทั้งชาติ ยิ่งกว่าจะเป็นสมบัติของชาวพุทธเท่านั้นและประชาชนที่เราเรียกเขาว่าพุทธศาสนกชนนั้นมีชีวิตเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติธรรมที่แตกต่างออกไปจากพิธีกรรมและเทววิทยาหลักในการปฏิบัติของเขานี้แหละเราเรียกว่าธรรมธรรมนี้แบ่งเป็นสามชั้นแต่และชั้นแตกต่างกันชั้นที่หนึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับคฤาหั ชั้นที่สองเป็นหลักธรรมที่นักบวชพึงปฏิบัติชั้นที่สามเป็นหลักธรรมสำหรับผู้ได้ดำเนินตามมรรคาเข้าสู่อรหัตตภาวะแล้วพึงปฏิบัติและพึงรู้ธรรมของบุรุษแต่ละชั้นที่กล่าวถึงนี้ธรรมที่พระเจ้าอาโศกทรงประกาศเป็นพระบรมราชองการนั้นหมายถึงธรรมสาหรับคาลือหัดที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปในอินเดีย แต่เป็นธรรมในรูปที่พระพุทธศาสนิกชนได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมที่จะนำมาปฏิบัติแล้วธรรมของพระเจ้าอโศกนี้ได้บรรยายลักษณะที่เป็นหน้าที่ของครืหัดที่ดีไว้ทั้งหมดแม้จะมีอายุนานแล้วแต่ก็ยังหมายใช้ได้ในชีวิตของชาวโลกทั่วไปได้เสมอเข้าใจง่ายเป็นพิเศษคุณลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในด้านประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าสูงส่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้นําธรรมนั้นมาแสดงไว้เพื่อให้ดูกันอย่างเต็มที่ในที่นี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งไม่น้อยอโศกธรรมพระราชองการในศิลาจารึกหมายเลขหนึ่ง หห้ามฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัน 2. ห้ามชุมนมเลี้ยงเล่าฉลองกันอย่างเอกรกะเรกเฮฮาพระราชะองค์การในศิลาจารึกหมายเลขส3การเชี่ยวฟังบิดามารดาเป็นความดี 4. ความดีใจเอื้อเฟื้อต่อมิตรผู้คุ้นเคยและญาติสมณพราหมณ์เป็นความดี 5. การไม่ประทุษร้ายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นความดีหกรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงในการทะเลาะวิวาทเป็นความดีพระราชะองค์การในศิลาจารึกหมายเลขเจ็ดหนึ่งการฝึกตนสองการชำระใจให้สะอาดเก้าความรู้จักบุญคุณสิบการผูกไมตรีเป็นคุณธรรมที่ปฏิบัติให้เสมอ และเป็นคุณธรรมอันสูงสุดของคนแม้จะเป็นคนยากจนไม่สามารถให้สิ่งของใดแก่คนอื่นๆได้มากก็ตามพระราชาองค์การในสีลาจารึกหมายเลข1 0 1ถึงสิบเอ็ดคนทั้งหลายประกอบพิธีกรรมหรือมงคลพิธีในยามป่วยยามสมรสยามคลอดบุตรหรือในยามออกเดินทางไกลาการประกอบพิธีมงคลเหล่านี้ ล้วนเป็นพิธีไร้สาระไม่มีค่าอะไรยังมีการมงคลประการหนึ่งที่บุคคลควรประกอบเป็นการมงคลที่ไม่ไร้สาระอย่างมงคลที่กล่าวแล้วแต่เป็นมงคลที่เต็มไปด้วยพลานิสงนั่นก็คือมงคลอันประกอบด้วยธรรมการมงคลอันประกอบด้วยธรรมนั้นคือการปฏิบัติชอบต่อทาตและคนรับใช้การยกย่องให้เกียรติแก่ครูบาอาจารย์ มีใจรักในสิ่งมีชีวิตความมีใจเอื้อเฟื้อต่อสถานที่พราหมณ์ประกอบด้วยธรรมดังนั้นวิดามารดาบุตรและพี่น้องคนที่เป็นนายเขาควรที่จะช่วยกันประกาศว่ามงคลอันเป็นประกอบด้วยธรรมนี้ดีเยี่ยมโดยแท้ควรปฏิบัติกันให้สําเร็จจนกระทั่งบรรลุถึงผลที่จํานงหมายคนทั้งหลายกล่าวว่า ความเอื้อเฟื้อเป็นความดีแต่ไม่มีทางใดที่จะมีความช่วยเหลือใดดีเท่ากับการให้ทรนมาทานแก่คนอื่นและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับธรรมพระราชะองค์การในศิลาจารึกหมายเลข12 12ควรให้เสรีภาพในทางศาสนาควรเคารพให้เกียรติที่นับถือศาสนาอื่นทุกคนทั้งที่เป็นข้าเื่องหัดและบรรพชิต ไม่ควรเหยียบย่ามศาสนาอื่นยกเว้นศาสนาของตนการรักษาสำรวมคําที่เป็นสิ่งชอบขอให้คนเสาะแสวงหาเพื่อความเจริญในศาสนาของตนเองถือเป็นกิจที่สําคัญยิ่งพระราชะองค์การในศีลจาราลึกหมายเลขสองข้อ13ทําทำเป็นความดีแต่อะไรเล่าคือธรรมคือความพยายามลด ควา ม, มัวเมาในใจของตนให้น้อยลงทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นเพิ่มให้มากขึ้นความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อความจริงและความบริสุทธิ์ข้อที่14ความเห็นกรรมดีที่คนทำแล้วกล่าวว่ากรรมดีนี้เราได้ทำไว้แล้วคนมักมองไม่เห็นกรรมชั่วของตน แต่เมื่อเห็นก็กล่าวว่ากรรมชั่วเราได้ทำไว้แล้วกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วการตรวจดูกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วเช่นนี้เป็นของทำได้ยากแต่คนที่ต้องคอยสอดส่องดูการกระทาของตนเองคอยแน่ตนว่าการกระทาเช่นนี้และเช่นนั้นนำไปสู่ความหายนะกรรมนั้นเป็นกรรมหยาบช้าทารุณเป็นความโกรธเป็นความเยื่ยยิง ข้าพเจ้าจะคอยสอดส่องอย่างเข้มงวดมิให้ตัวข้าพเจ้าเองป้ายร้ายคนอื่นด้วยความริษยาการกระทำได้เช่นนี้ย่อมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแน่แท้อโศกธรรมหมดด้วยการมีเท่านี้ขอให้สังเกตให้ดีว่าไม่มีแม้แต่คําเดียว ที่กล่าวถึงพระเป็นเจ้าหรือวิญญาณไม่มีแม้แต่คำเดียวที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงขอร้องผสนิกรในพระราชะอาณาจักรทุกคนของพระองค์ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมซึ่งมีข้อความแจ่มแจ้งชัดอยู่ในตัวแล้วมีภาวะการอะไรหรือที่จะบังคับให้พระองค์ต้องทรงกระทาเช่นนั้นอาจเป็นไปได้ไหมว่า ได้เกิดทัศนะของชีวิตที่ใหม่และแปลกเช่นนี้ขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ทัศนะชีวิตเช่นนี้หมายถึงเป็นพระราชาแล้วมาเผยแผ่ธรรมดูเหมือนเป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับผู้อ่านที่เป็นชาวยุโรปจริงๆภายในเขตแดนแห่งจักรวรรดิของพระองค์เท่านั้นที่พระเจ้าอาโศกทรงพยายามเผยแพร่ธรรมะในพระราชองค์การในหลักศิลาจารึกหมายเลขสิบสา ประมาณปี255ก่อนคริสตศักราชพระองค์ทรงดำรัสกับพระราชโอรสและนัดดาหลังจากได้ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงพบด้วยพระองค์เองว่าพระองค์มีความสุขในการที่ทรงชนะโดยธรรมมากกว่าความสุขที่เกิดจากการพิชิต ด, ด้วยดาบและทรงประกาศต่อไปว่าพระองค์ทรงประสบชัยชนะโดยธรรมเช่นนั้น ในรชาชอาณาจักรแห่งกษัตริย์ซีเรียอียิปเมซิโดเนียอิบิรุสและกิเลนีทรงเผยแผ่ธรรมไปในประชาชนชาวโซลัสและบันดิยัสในอินเดียใต้ในลังกาและประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชายแดนแห่งรชาชอาณาจักรของพระองค์ ท่านผู้ฟังที่เคารพคะจอมจกักรพรรดอิอศกจบบริบูรณ์แล้วคะ่ะขออนิสง์ในการเผยแผ่ธรรมนี้จงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ท่านอาจารย์วสินอินทสระผู้เขียนคุณวิทั ญ, ญาพัทรวิมลพรผู้มอบหนังสือห้างธรรมสภาผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ขอจงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสืบไปสวัสดีคะ่ะ